أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صلى و سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم อา ظلمنا ن ف س ن ا و ن لم ت ر لنا وترحمنا ل, وت نا ل نا ك ن ك ن ن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا عل ونفعنا بعلمتنا و ز إن أن د ن ا علما إنك ن ت العلم الحكيم الحمد لله รับอะ ا ن ะ ل นะครับไอ้แววียนกลับมาที่วงชุมนุมของเราซึ่งเราขออุทิศจอัลล ه แะ ا ل ให้มันเป็น สวนหนึ่งจากบรรดาสวนสวรรค์เราต่อจนเป็นเรียาดิชแนะอัลลอฮุมะอาะมีวันนี้นะครับ เ, เขาประกาศดูดวงจันทร์แ๋ยวว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่หนึ่งสุลฮิจาร์ปล่านะครับทราบข่าวมา ว, ว่าแม้กระทั่งที่มะกาเองเขาก็ประกาศดูวันนี้ฉะลาดเดี๋ยวเราจะได้ติดตามข่าวนะครับ ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึง่งสุลฮิจั่ยมันก็มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เราอาจจะพูดคุยสักเล็กน้อยนะครับเป็นการเตือนความทรงจําของพวกเราหรือว่าเป็นการเน้นย้ําถึงภารกิจของมุสลิมเวลาที่สิบวันแรกของเดือนสุลฮิจั่ยมาถึงจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเดือนระมาอนมานะครับ สองเดือนซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติอาลัลภารกิจต่างๆอย่างมากมายในช่วงเดือนอมาดอนแต่ว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะเเอลจะทรงประทานความบีงามต่างๆให้กับบ่าวของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามาชาอัลลอฮ์นะครับวะตะเเอลมีความประเสริฐอัลฟัฎาอหรือ ความดีงามอันบรกักาต่างๆที่พระองค์จะประทานให้กับเบราพระองค์นั้นมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดนะครับอัรมรัดอนผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าความดีของเรานั้นจะสิิจะส้นสุดไปพร้อมๆกับอัมรดอนนะครับยังมีวันเดือนยังมีวันต่างๆที่สําคัญอีกตลอดทั้งปีที่จะทําให้เรานั้นได้กระตุ้นตัวเองให้ทําดีอยู่ตลอดเวลาสิบวันแรกของเดือนสุริยจักรเนี่ย มี hadis นะครับที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมเล่าว่าเด็กเล่าให้เราฟังนะครับเป็น hadis จากนบสริยล له ุะั้นหัวมันนบบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมกล่าว่ามนยามาุศลุฟีนับอิลัลลอฮิมนุฟีลัยามลชร قال วัลัลจิฮารุฟีสบลิลลากาวลัลิฮาุฟีบลิลลา อิลล่ารจูลขรด بنفس ฮีวมาลฮีวแลมยรจ์ง์นันดัลก์บีชนะียหมายความว่าไม่มีวันใดๆในตลอดทั้งปี1ปีเนี่ยถ้าเป็นกลางวันถ้าเป็นวันที่จะดีไปกว่า10วันนี้ในการทำอามัลสาละสังเกตให้ดีนะครับ เวลาที่เราพูดถึงกลางคืนนี่อุลมามะมาอธิบายว่ามันไม่ชนกันหรือระหว่างสิบคืนสุดท้ายของระมอดกับสิบวันแรกของเดือนโซลิจจาไหนบอกว่าสิบคืนสุดท้ายของระมอดเป็นเป็นสิบคืนที่เป็นวันที่ดีที่สุดใช่ครับถ้าเป็นกลางคืนสิบคืนสุดท้ายของละมอดดีที่สุดแต่ถ้าเป็นกลางวันหรือตลอดทั้งวันเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย 10วันอ่าสิวันแรกของเดือนสุริยจัยดีที่สุดอุลามะบางท่านยังมีทัศนะที่ค่อนข้างจะหนักไปทางว่า10บวันแรกของสุริยจัยดีกว่า10คืนสุดท้ายของรอมฎอนได้ซักเพราะว่าในสิบวันแรกของเดือนสุริยจัดเนี่ย ni, มันมีอา말ต่างๆที่มุสลิมทําอยู่เยอะกว่าในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะอา말ที่เรียกว่าอัลฮัจบุคนอิสลามข้อที่ฮะ ซึ่งอตอนนี้เราลองนึกจินตนาการว่าเราอยู่ที่มักกะดู เ, เขากำลังทำอะไรครับใช่ไหมครับผู้คนทั้งหมดกำลังรวมตัวกันที่มหาคนครมักกะเพื่อที่จะรอวันไปวุกุฟที่วันอารอฟะหลังจากที่นีก็คือทำอามัลฮัสนะครับซึ่งเป็นอามัลที่ยิ่งใหญ่วันอารอฮ์ซึ่งมันอยู่ในวันสิบวันแรกของเดือนโซเลชะเนี่ย เป ah ah. ah. ah. okay, th uh ah ็นวันที่ไม่มีวันไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าวันอัอฮ์อกแลยิ่งใหญ่ยังไงครับวันอัล์มีะดีะดีที่พูดถึงความประเสริฐของวันอัลลอฮ์ในจานวนฮะดีสที่พูดถึงความประเสริฐของวันอ์ก็คือฮะดีสที่ท่านเบบีสุลลัลสั่งว่ามาในยามอื่นอักษร์อ่นอันยุทธ์ทัลล่าซีฮีอับดันมินอันนารมินยามอ์ ไม่มีวันไหนที่อัลลอฮฺสุลต่านจะปลดปล่อยเบาของพระองค์ให้พ้นออกรอดพ้นไปจากนรกเนี่ยมากไปกว่าวันอรารอฟหยอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนั้นเป็นวันที่ชัยตอนชัยตอ น, ตอนซึ่งเป็นศัตรูตัวชากาะของมนุษย์เนี่ยเป็นวันที่ชัยตอนโหดแรงที่สุดเป็นวันที่ชัยตอนพาวเวอร์ของชัยตอนเนี่ยจะจะเขาเรียกว่าแบตหมดชาร์จไม่ขึ้น Wanarafa. Nah, but one which shaiton lah akar, ni miaraji cetam toy bekuawan nan ikla samrap syaitan. Walah asgar, ni miaraji caduk kerjit, samrap syaitan mah ape kuawan? Wanarafa. Pro apa? Pro wanarafa, ben wan yang Allah swt akan song. Nah, bang riwayat, nak abang rangan yang bawa akan song sedet lomai yang fah yang dunia, lalu kemudu bau yang Pro yang kawang wukuf kan yuy. นะช่วงอาราฟาแล้วพระองค์ก็จะทรงอาภัยให้กับนะให้กับบาปของพระองค์จะทรงอาภัยให้หมดเลยบาปต่างๆแล้วก็จะทรงปลดปล่อยให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้อะไรเขาเรียกให้พ้นจากนะรกยานนะ้องคิดดูใช้ตอนมันทํางานมาทั้งปีมันทํางานมาทั้งปีหลอกคนมาทั้งปีหลอกมนุษย์มาทั้งปีให้ทาําบาปนู่นบาปนี่ แล้วอยู่ๆพอมันถึงวันหนึ่งไอ้ที่มันทํามันทั้งปีเนี่ยศูนย์ซิ้นไปหมดเลยเพราะละตะละอลาไปจะโทษให้หมดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นวันที่ใช้ตอนโกรธที่สุดแค้นที่สุดก็คือวันอาราฟาไม่รู้จะทํำยังไงเพราะละตะลาเอาไปจะโทษให้กับให้กับบาวที่ ท, ทําผิดแต่ก็ยังมีช่องว่างที่น่ากลัวก็คือว่า Allah จะอาไปโทษให้กับคนที่ไม่มีสองอย่างนี้ หนึ่งไม่มีชีริกอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นสิทธิของ Allah ถ้าตราบใดที่เรายังมีชีริกอยู่แสดงว่าเราไม่พ้นจากสิทธิของ Allah อยู่เราจะไม่ไม่อาภาัยให้สองสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเบาสองคนที่บาดหมางกัน ก็จะไม่ได้รับ ก, กันอภัยโทษเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังไม่ใช่เฉพาะคนที่ทําฮัตอย่างเดียวคนที่วูฟฟิวที่ทุ่งอาราฟาอย่างเดียววันนั้นลองคิดดูพี่น้องครับลองจินตนาการใครไม่เคยใครที่เคยไปก็นึกภาพออกแน่นอนแต่คนที่ไม่เคยไปก็ลองดูภาพที่เขาฉายออกมาต่างคนต่างใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยเป็นภาพที่เขาเรียกว่าทําให้เราระลึกถึงวันอาคราสมากที่สุด ตลอดทั้งปีวันที่จะทำให้เราระลึกถึงวันอัครา์มากที่สุดไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกว่าตอนที่เราคลุมผ้าเอแรมสีขาวเหมือนแกนัแล้วก็ไปวูบกูฟกันที่ทุ่งออราฟ้าท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุแสงแดดร้อนระอุสมัยก่อนไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยเขาอยู่ได้อย่างไงเดี๋ยวนี้ยังพอมีต้นไม้บ้างแต่นั่นก็ยังร้อนในโลกดุนยายังพอมีที่ให้หลบแดด แต่ในวันอนัคราตเนี่ยเราไปวุกุฟที่มัชชาร์เนี่ยเราไปยืนอยู่ที่มชชาร์เนี่ยไม่มีที่หลบแดดให้เราแล้วนอกจากคนกลุ่มที่เราเรียกว่าว i p อในวันอนัคราตเหมือนกับขุนจัดวีไอพี VIP ในโลกดุเนี้ขุนจาตเองก็มีขุนจัดวีไอพบางคนก็อยู่ในแอร์บางคนก็โอ้เาก็มีหลายระดับเหมือนกันนะขุญจัดเนี่ยไปที่บริษัทที่ เก็บตังค์เยอะๆหน่อยหรือหุจนยักษมาจากประเทศที่แบบมันดีๆหน่อยก็มีเต็นท์ใแบบอย่างดีมีอาหารอย่างดีมีข้าวหมกแพมีผลไม้มีนู่นมีนี่ให้กิดแต่หุ่ยักธรรมดาธรรมดาก็นอนอยู่ใต้ต้ตนไม้บางทีก็หลบหลบแดดจากเงาของรถยนต์นะตอนเช้าหลบอยู่ทางตะวันตกพอพอจะวุกุฟเริ่มจะฮไปก็มาหลบอยู่ที่ทางตะวันออกหลบแดด ร้อนมาก س ุ ح ا า a l ล a h ไม่ว่วันไหนจะทําให้มนุษย์นึกถึงสภาพของตัวเองในวันอาครัตมากไปกว่าวันอัลอฮ์ฟัอีกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ไปทำฮัดเนี่ยถ้ากลับมามือเปล่าหมายความว่าตาว่าก็ไม่ได้สอนอะไรเขาเซเอก็ไม่ได้สอนอะไรเขาไปวูกูฟอัลอฮ์ฟัก็ไม่ได้บทเรียนอะไรเลยไปคว้างหิน ก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรไปอยู่ที่มีนาก็ยังหกอ้าเอฮาเศระยังฉลองยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยกลับมาก็คือได้แค่ชื่อมาอย่างเดียวนำหน้ามาอย่างเดียวฮัจจีแต่ไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยเนี่ยเสียเปล่าเลยมากนะครับเป็นการลงทุนทั้งชีวิตที่ไม่ได้อะไรเลยเอาสุเป็นละมันจะอะไรมันจะต้องได้นะครับไปแล้วได้ ใครที่ไปและทำพาร์ชแล้วได้บทเรียนจากการทำพาร์ของเขานั่นแหละนะที่อาราธนาจะตอบแทนสว่างแล้วเป็นคนที่ใช่ตอนเขาเรียกว่าหมดหมดสภาพในวันอาราฟาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทุ่งอรารอฟาเขาก็จะวุ่นวแล้วก็จะขอดวอาร์นะครับไม่มีอะไรไม่มีดวงอาร์ที่จะดีไปกว่าดวงอาร์ในวันอาราฟาแล้วดวอาร์ที่ดีที่สุดท่านนบี บ, บอกว่าอะไรน ะ, ะดวอาร์ที่ดีที่สุดในวันอาราฟาก็คือ ลาอิลลอห์อ il ิลลอหวะหดะฮ์ลาชรีคัลฮ์ له ัลมุลคุัลัลฮัมด์ัวัวัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลนลัลันัีัลัลัลัอัลัลัลัลัลัลัลัลัะัลัลัลาลัลัลัลักัล ل ه ัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลมลัลัลั่ัลัพระอง ละหุลมุลกพระองค์คือผู้ที่ครอบครองวะละหุลห่แลวก็การสรรเสริญสรรดูดีก็เป็นสิทธิ์ของ a า l a h เพียงพระองค์เดียววะหัวละคุลิชัยอัลกอดีพระองค์นั้นทรงมีความสามารถเหนือทุกสิ่งมีการขอไหมไม่ขออะไรเลยแต่ท่านนบีเรียกว่าเป็นดุอาท่อนประโยคนี้เรียกว่าเป็นดุอานะครับเป็นดุอาได้เพราะมันเป็นการยืนยันในการเป็นเอกภาพ เป็นตัวฮีดของ Allah ซุนขานออนะคะรับเพราะฉะนั้นวันอาราฟะพี่น้องที่อยู่ที่ฮัดเขาจะขอดุอาเราที่ไม่ได้ไปฮัดล่ะต้องให้มีส่วนร่วมกับเขาด้วยนี่คือศาสนาอิสลามศา ส, สนาที่เชื่อมโยงหัวใจเข้าด้วยกันระหว่างมุสลิมสุบฮานอัลลอฮ์ละหมาดก็เหมือนกันอาซานก็เหมือนกันเริ่มตั้งแต่กาลิมชาฮัด ปฏิญาเหมือนกันเหมือนกันหมดแล้วมาอาสาเนี่ยเาบอกว่าอาสาเนี่ไม่มีนาทีไหนเลยที่ไม่มีการอาสาในโลกนี้พอนาทีนี้จบเอา้าอีกประเทศหนึ่งเริ่มอาสาเชื่อมโยงกันทั้งโลกแล้วมาถึงถือสิ้นอดผิวเหมือนกันเวลาไปฮักก็เหมือนกันพี่น้องที่ไปทําฮักแต่เราอยู่ที่บ้านถูกผูกเชื่อมหัวใจเข้าด้วยกัน ทั้งในเรื่องความรู้สึกทั้งในเรื่องการความศรัทธาทั้งในเรื่องของการปฏิบัติเราที่อยู่บ้านไม่ได้ไปทำฮัจมีซุนนะให้ถือศีลอดในวันอาาัลอฮ์ฟาวันที่เขากําลังปฏิบัติอามาลนะชุวงอาาัลลอฮ์ฟาแล้วเราก็จะได้รับผลบุญไม่ต่างกันเพราะว่าการถือศีลอดในวันอาาัลลอฮ์ฟาเนี่ยท่านนบีบอกว่าอย่างไงครับอัลลอฮ์ อันยุคฟรอัลสันลาดีะสันท์ะที่ับล์หูวสันท์ะที่บั๊ดหูการถือเสียงอัตอัลละาเพียงแค่วันเดียวอัลละตัลจะอาภัยโทษถึงสองปีปีที่ผ่านมากับปีที่จะมาถึงอ่ามันมีคาอธิบายว่าอะไรคือปีที่ผ่านมาและอะไรก็ปีที่มที่จะมาถึงแต่จะบอกว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของของสิบวันแรกของเดือนซเลเจเพราะฉะนั้น ยังมีการเคลียร์กันอยู่ว่าระหว่างวันที่เก้ากับวันที่สิบอันไหนดีกว่าระหว่างวันอาราฟะกับวันเชือดวันวันอิดีลาบุฮาเนี่ยอันไหนที่เป็นวันที่ดีกว่าบางคนก็บอกว่าอาราฟะดีกว่าบางคนก็บอกเป็นวันที่สิบดีกว่าอย่างไรจะอย่างไรก็ตามครับนี่คือโอกาสแล้วอามัลที่ให้เราทําในวันสิบวันแรกสุลติจานเนี่ยคือเปิดกว้าง ทำอะไรก็ได้ที่ให้มันเป็นอัมัลซอลิลนะครับแต่ที่ง่ายที่สุดท่านนบีก็ยังพูดอีกอยังแนะนำอีกเพราะว่าอัมัลที่ง่ายที่สุดไม่ต้องลงแรงหรือลงแรงน้อยที่สุดก็คือการเจลิลการตัศิการทหมีการตักบิลเจลีลคืออะไรละอิละอิละัลลอฮทัศน์คืออะไรสุบฮานัลลอฮ م ال ح ب ب ل أ إ ل م มีดก็ไร الحمد لله, อตั تكبير ก็ไร الله أكبر, นี่อะไรที่เหลือที่ศรัทธาสิบวันสุดิบวันแรกของนินเลียร์ทีนี่ให้ฝุดให้เยอะๆเล่าเล่าให้ลลลละเอะตักบิร์ให้เยอะอ่าตักบิรนมจะมีอยู่สองอย่างอ่ตักบีรที่เราที่เราที่เราคุ้นเคยกันในในในวันอีดนี่มันจะมีอยู่สองแบบครว่าตักบิรตักบรุละกับตักบิร์ قي ด ตักบีรมุสล็อก็คือตักบีรได้ตลอดเวลาอันนี้มีสุนั์ในสิบวันแรกของเดือนรูฮจัเลยเป็นสุนนะที่เราไม่่อยทำเพราะสมมติสมมติว่าพรุ่งนี้เนี่ยรู้แล้วว่าเ ป, เป็นวันเป็นวันแรกรูฮจันี่ให้เราตักบิได้เลยอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮลาอิลาห์อิลาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอิลลอฮฺละอิลาห์อิลาอักลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺละอิลาไ์อิลาอัลลตักบิลมันตั การตักเปลทั่วไปเราอยู่ที่ไหนเราก็ตักบปลในบ้านก็ตักบปลได้สาัาบะ a h บางท่านเคยเห็นไหมครับสบั habah บางท่านเช่น อ, อับดุลฮุไรร์อับดุอเมร์เนี่ยออกไปที่ตลาดไปที่คนกําลังชุมนุมกันเยอะเยอะแล้วไปตักเปลแบบดังๆในตลาดเลยเมื่อถึงสิวันแรกสุลัยจัจเพื่อให้คนรู้ตัวว่านี่ถึงสิบวันแรกสุลัยจัจแล้วส่วนตักเปรมุกไกยตักเปรืกมุกักยก็คือตักบปลหลังละหมาดเนี่ยนะครับอุลมามะบางท่านบอกว่าให้เริ่มตั้งแต่วันอรารอฟะเป็นต้นไป สุบุ๊วันอารวาฟรภ์ก็ริตักบียนมุขละอ่าตักบียมุกายะไดแล้วไปจนจบวันวันที่สิบสามวันทัชรีนะครับอัษฎร์ของวันที่13เพราะฉะนั้นแปลกดีเหมือนกันเนาะคือพวกพวกเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับรายอรายยป อ, อ, อมากกว่ารายยฮจยีเพราะอะไรรายยป อ, อ, อนี่เราคือมันมีความรู้สึกว่า มันมีจุดที่ทำให้เราให้ความสำคัญอะ่ะเพราะอะไรเราถือสิบอดมาทั้งเดือนพอออกบวชมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้มันยิ่งใหญ่แต่รายยนี้มันอยู่ดีๆรายยแล้วอะไรวะไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่มีอะไรก่อนหน้านั้นเลยบางคนอาจจะไม่รู้ตัวดวยสาร้พราะเ้พรุ่รงนี้รายยอหรือรายยนเมื่ อ, อไรไม่รู้ตัวเพราะว่าอยู่ดีๆก็ารายยนไม่มีการถือสิบอดมาก่อนนั่นแปบว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ตัว แต่สำหรับคนที่รู้ตัวเนี่ยเขาริ่มตั้งแต่ปรุงนีแล้วรู้ตัวนะครับจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยพวกเราน่าจะศึกษาว่าไอฮัจจ์แล้วก็สิบวันแรกเดือนโซเลจจ์เ ah นี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทําไมมันถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งมันน่าสนใจมากกว่าอีกนะครับเพราะว่ามันผูกโยงไปจนถึงท่านนบีบรอหิมอะไรสักอยางอันนี้มันจะมีหลายมิติมากฮัจจ์เนี่ยมันจะมีหลายมิติมากนะครับที่สามารถทําให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามได้ เอาเป็นว่าเราเอาแค่นี้พอนะครับวันนี้เป็นการตักเตือนพวกเราทบทวนถึงความสําคัญของสิบวันแรกเ ah ดือนสุริจัน์โดยเฉพาะวัน อ, อัลฟาและที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่ตั้งใจจะกุรบาล น, นะครับใครที่ตั้งใจจะกุรบานมีความสามารถที่จะกุรบานเนี่ยอย่างน้อยนะครับเขาบอกว่าหนึ่งครอบครัวก็หนึ่งกุรบาลต่อปีเนี่ยถ้าสมมติว่าเริ่มเข้าสุริจะน์แล้วเนี่ยเขาก็ จะมีสุนัขนะครับให้ละทิ้งไม่ตัดเล็บไม่ตัดผมก็คือผ่านไปแล้วแหละอถ้าใครจะตัดเล็บ ก, ก็คือต้องตัดตั้งแต่ตอนกลางวันไปแล้วถ้าสมมติว่าคืนนี้คือคือนแรกสุเลยะเขาไม่ต้องตัดเล็บแล้วนะครับก็ยังคลากันอยู่ว่ามักรูุรู้ว่าฮารอมบางคนก็บอกว่าฮารอมบางคนก็บอกว่าไม่ถึงขั้นฮารอมถึงขั้นแค่แค่มกรุเห็นเดียววัลลอฮฺจ่าละอัลละมาอ่านสักนิดนะครับสุรัชอัลมุดดซิศอายัดยาวหน่อยวันนี้อินชาอนะัลลอฮฺน่าจะได้แค่อายัดเดียว แล้วก็ซฟุอ์อยะที่สอดนะครับออุบิลลาฮิมินชชัยนรม ว جَعَلْنَا มาเَาَงสร้างَา ا าบَนนาริ م َลลาแม่ลากตัวَ่ามาَรَจَสร้างอิเดตัว วَา َا جعلنا عدتهم َ إلا فتنًا لل للذين َ كفروا َ ليستيقن الذين َ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم و َلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م مَرَضُ وَالْكَافِرُونَ وال مَاذَا أَرَادَ اللَّهِ <ت ص في ق> ك َ ذ ้ลค <sei> ือยุ่งด้ลุ่ ل ห์ไม่ยชาว์َหดีไมَ่ชาว์ว่ะห์ไม่ยชาว์ยหดีَม่ยชาว์ว่ะห์ไ บิ่นเอัลลอฮันอัลลิคราลิลบอัลิลิลบ อายัด น, นี้นะครับจริงๆแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับอายัดก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮ์สุลานอัลจาลาที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าอัลลอฮ์สุลานจาลาได้พูดถึงอัลมูอาณิดพวกที่ดื้อด้านจากหมู่ชาวกเรชหรือหัวโจกที่ดื้อดือรั้นก็นคืออัลวะลี อิบนุลโมกีระนะครับเหตุการณ์ที่ al ah. อัลวะลิดอิบนุลโมกีระเข้าไปเจอกับท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วก็กลับมาแล้วมีอาการที่เปลี่ยนไปดูเหมือนว่าจะจะจ ะ, จะคล้อยตามท่านนาบีอบุจาัล ah ก็เลยไปหาแล้วก็ไปวางอุบายจนกระทั่งอัลวะลิดเนี่ยต้องอะไรเ็าเรียกกูก้หน้าของตัวเอง พูดความเชื่อถือของตัวเองกับคืนมาอีกครั้งหนึ่งกับพวกมุชริีก็เลยวางแผนคิดว่าจะพูดอะไรออกมาคิดแล้วคิดอีกหน้าคร่ำเพียดนะครับสุดท้ายก็เลยพูดออกมาว่าปฏิเสธอัลกุรอานกัมทั้งที่ตัวเองรู้ชัดว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นวะยูน่าจะมาจากอัลลอ์ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์แน่นอนอัลลอฮ์ตรัก็เลยบอกว่าสนุสลี i seusli h i s a ด้วยความดื้อรัน้นด้วยความโอหังขอัลวาลิดเนี่ยพระองค์จะทรงเอาเขาไปลงโทษในสการพูดถึงการลงโทษในโซล่านี้มีอยู่สองนเราเร า, เราเรียนแล้วนะครับหนึ่งซอุรฮิกวูซสอูดตอนแรก a l l a ต t a a l บอกว่าจะให้เขาเนี่ยปีนเขาเป็นเขาในนรกเขาสานะเขาที่ว่เาเป็นหินใหญ่ หินที่มีความลื่นขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปก็หล่นลงมาไม่สามารถที่จะขึ้นไนดะ้แต่ถูกบังคับให้ปิดเรับางนักตฤษฎีเนี่ยเห็นว่ามีฮะดิษนะครับที่รายงานจากอัลบาซาร์ที่นโนเกซีสได้พูดถึงซออูด่หมายถึงภูเขาที่อยู่ในนรกจันน์เวลาที่เอามือไปขึ้นไปแตะ หรือเท้าขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยมันก็จะละลายมือจะละลายด้วยความร้อนของมันเป็นภูเขามาจากไฟอยู่ในนรกแต่มาจากไฟอีกทีน่นึ่งเท้าก็เหมือนกันถ้าเท้าเอาไปเหยียบภูเขานี้เท้าจะละลายพอยอะมือก็จะงอขึ้นมาใหม่เป็นการลงโทษที่ไม่จบไม่สิน้นในนรกสักก สอสลิฮิสักร وما أدراك ما س ั ر ลาตุบ قي ولا كذر من تكين جنود พอคินหมดแล้วนอึ้นมาอีกแล้วก็กินอีกเอาลฮาต้ซึ่งมาลาอิกัดที่เฝ้านรกสักก้มีเท่าไหร่ครับ19 19ท่านปรากฏว่าพอวัลฮยูุลงมาท่านนบีอ่านวัลฮยูุนี้ให้ผู้ผู้ชริกินฟัง แทนที่มันจะกลัวกลับกลายเป็นเอาเรื่องตัวเลขสิบเก้ามาเป็นเรื่องขบขันตลกตลกขบขันเอสิบเก้าสิบเก้าสบายสบายอ่ะสิบเก้าสิบเก้าอะไกัดเองหรือนึกไปนะไปเป็นเรื่องตลกพูดเป็นเรื่องขบขันอย่างเนี้ยเป็นการสร้างความเดือดร้อนเป็นการยอะาเย้เยเราท่านนาบีสุลต่าน นะครับมีรีวาทย์นะครับที่บอกว่ า, าในาใ น, นเซนต์นิกเกอมีนะครับที่บอกว่ า, าพออายัดนี้ลงมาพอบอกว่าสิบเก้ามาลยกัสที่คอยเฝ้าดูแลนรกจะหันนำเนี่ยพวกนี้ก็เลยเอาไปคุยในสภากาแฟาสภากาแฟดารุนนัดด้วนะครับเอาไปคุยว่ายังไง ลมานอีนะอับ b ดงนนานบอกาลือบูจฮานลกุรอิชอับูจฮานเนี่ยากฏนะบิศรอสัลลัมอ่านอายนี้เนี่ยก็กล่าวกับพวกกุรชว่าอฟยอัฟยาจิ้กุลลาต์มิคุมอันยบชูบัวิดมิหมกาวมาเล็กนี่พวกเจ้ารวมกันคนละสิบไปจัดการมาเลกแค่แคนเดียวไม่ไหวหรอ Oh. <laughs> แลวปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งในหมู่พวกกุูเชเองซึ่งชื่อว่า ain, อบุลอาชัดดายอบุลอาชัดบาง่อว่าอบุลอชัดอบุลอาชัดดายเป็นคนที่อาจจะเหี่ยมหน่อยว่ากันว่ า, า, าคนเนี้ยถ้าสมมุติว่าด้วยความด้วยความโหดด้วยความาแข็งแรงของมันเนี่ย ถ้าสมมุติว่ายืนอยู่บนหนังวัวแล้วก็ตัวเองนี่ยืนอยู่บนหนังวัวแล้วก็ให้คนมาลากหนังวัวออกมาเนี่ยปรากฏว่าแทนที่มะแทนที่คนจะล้มกลับกลายเป็นว่าหนังวัวนี่จะขาด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงนะครับไอ้ตัวเนี้ยพูดออกมาว่าอย่างไงแสดงความอาหังกาของตัวเองออกมาว่าฉันอ ok ัคคีคุณมิ่งหมสบแปาชก เดี๋ยวอ้จะจัดการสิบเจ็ดตัวอีกสองตัวพวกพวกพวกหลือเอาไปเอาไปแบ่งกันเองก็แล้วกันสิบเจ็ดนะตัวเองจะจัดการสิบเจ็ดเหลืออีกสองอีกสองตัวเนี้ยเอาเป็นเศษเศษให้กับคนที่เหลือเนี่ยพูดเป็นเรื่องตลองนะครับอาบูจะฮัลถามว่าสิบเจ็ดตัวนี้จะทำยังไงสิบเจ็ดสิบเจ็ดตนมาไล่กันนี่จะทำยังไงบอกว่าห้าตัวจะใช้ไหลขวาเนี้ยชน อาห้าห้ามาหะายกัดอีกห้าจะใช้ลหลสายหล้วอีกเท่าไหร่เหลืออีกเจ็ดใช่ไหมส่วนอีกเจ็ดเนี่ยจะใช้ท้องชอนกับท้อกลับกลายเป็นเรื่องตลกน่าอูสุบิลล่าหมันซะนี่ด้วยความเจ๋งลด้วยความโง่เขลาด้วยความวอัลลอฮฺอัลลอาอิลาลฮะอิลอลอห์ละละ สัลรหัสทูเบะนี่แหละครับคือที่มาที่ไปของอายะ์ที่สามสิบออายะ์นี้เขาเรียกว่าอายะจุลฟิตนะอายะ์ที่เป็นฟิตนะสาหรับคนกัฟรว่มาจ عل นา أصحاب النار อิลลาม ا อิกะต์และมาจนาอิดดตุมอิลลาฟิตเนตันดัลล์ดีนักฟรูอัลละตั๋งมาอธิบายมาให้ท่านนบีพูดกับคนเหล่านี้ว่า เราเนี่ยพวกเองนึกว่าไอ้เกนี่ยหมายถึงคนอย่างอย่างอย่างพวกหรือหรือสเกยามที่เฝ้านรกนี่คือมาแล้วอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้นะถ้าถ้าอยากจะรู้่าความความอะไรเขาเรียกความยิ่งใหญ่ความใหญ่หลวงของของอะไรเขาเรียก Uh ความหนักหนาของสกอรเนี่ยเราต้องรู้จักสองอย่างหนึ่งรู้จักฮะตีกัตุลมาลาอิกะเพราะอัลลอฮฺ تعالى บอกว่าคนที่เฝ้านรกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะแต่เป็นมาลาอิกะแล้วรู้จักห ร, รือเปล่ามาลาอิกะแต่ละอันนี่เป็นยังไงคุณลักษณะของมาลาอิกะแค่แค่ท่านเดียวเนี่ยเป็นยังไงรู้จักไหมเรารู้จักรหรือเปล่า หนในจนํานวนรุกคนอิมานที่เราจะต้องอิมานก็คือศรัทธาต่อศรัท ธ, ธาต่อมาลาอิกัสศรัทธาต่อมาลาอิกัสยังไงรูปร่างของมาลาอิกัสเป็นยังไงหน้าที่ของมาลาอิกัสเป็นยังไงเราต้องศรัทธาซึ่งต้องรู้พวกเรารู้หรือเปล่าครับถ้าเรารู้จักมาลาอิกัสจริงๆแน่นอนว่าเราจะไม่พูดแบบนี้ถ้าพวกกาเฟรรู้จักมาลาอิกัสจริงๆจะไม่มีคําพูดแบบนี้ออกมาอันนี้ประการที่หนึ่ง ประ ก, การที่สองต้องรู้จักฮักีกัตุนนาข้อเท็จจริงของนรกนรกเป็นยังไงทําไมถึงกล้าพูดแบบนี้แสดงว่าไม่รู้จักนรกจริงๆถ้ารู้จักนรกแล้วจะไม่พูดอย่างนี้แน่นอนอเอามาลัยกัตก่อนเพวกเรารู้จักมาลัยกัตมาลัยกัตถูกสร้างมาจากอะไรครับจากอะไรนะ รู้จักเนี่ัทต้งมไอ้กาถามแล้วถามคำถามนี้ถามตอบไม่ได้นี่เป็นยังไงนี่สอบตกกันหมดเลยเหรอ <c oughs> อกัทกสร้างมาจากอะไรนี่เรากาลังเรียนอัจฉิยะจากนูรนะครับนะครับจากนูรจริงๆแล้วถ้าเราอ่านคำเี้ยวพูดอ่านเนี่ยเราจะพบว่าอัละตะลาห์พูดถึงการสร้างาะอะกอยู่ในบางอายัดนะครับแล้วก็ในฮะดิษเองก็พูดถึงการสร้างาะอะไรกอย่างเช่นในอายัดอายแรกจากสุร สุรภ ah ัตต ja uh, ์นะทีอัลลอฮ์กล่าวบอกว่า الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكتي رسلاً لأجنحة مسنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء นี่คือมันอันยัตที่พูดถึงการสร้างมาเลกั็คืออันยัตนี้แหละอัลลอฮ์กล่าวบอว่าทรงสร้างมาเลกัตมาให้มีปีกบางท่านก็มีปีกสองบางท่านก็มีปีกสบางท่านมีปีกสแล้วก็บางท่านก็มีเยอะมาก เช่นของจ e ิบรีลอะลัยฮิสลามยิบรีลอะลัยฮิสลามมีปีกถึง600ปีแค่ปีกเดียวของจิบรีลเนี่ยท่านพิบบอกว่าซาดันซาดันอัลอุฟุกอุฟุกก็คือที่เราเห็นท้องฟ้าเนี่ยอุฟุกคือสุดลูกหูลูกตาเนี่ยเาเรียกว่าอุฟุกปีกของจิบรีลแค่ แค่ข้างเดียวเนี่ยปิดท้องฟ้าจนมิดคดบางฮาดิษบอกว่ามาเบน่าชัมชัพมะอะไนะอูไระหว่างติ่งหูจนถึงคอของมาลาอกคัดนะฮะนกต้องบินเป็นระยะเวลาถึงสบนครีฟ เจ็สิบปีเพราะฉะนั้นแค่มล า, ากิจที่เฝ้านรกเพียงท่านเดียวจัดการมนุษย์กับจินได้ทั้งโลกแล้วนะักปราษาอะไรถึงสิบก้าท่านแล้วสิบเก้าท่านที่ว่านี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่แค่สิบเก้าเนี่อาจจะเป็นกวนหน้ายังมีมมล า, ากัดอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ที่เป็นบริวาร<ไ>ที่คอยดูแลนรก ผมมี <im ying> hadis ah. had ah, น um had ี wa, ่ ص นะครับ h a d s صحيح Muslim ที eng, ่ท ah, ่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมผมมีจดเอาไว้ h a d i ي ح m u l i m เนี่ยที่บอกว่ามาละอิกที่เฝ้านรกเนี่ยแป๊บหนึ่งฮะ h a d i แป๊บน่จดมาละมีจานวนทั้งหมดอ่เนี่ย s จากอิบนาอุสออลฮั ท่าน ن ب ลลัลละัลลัมบอกว่ายุ่ตบเจนน์มยิามลาสอัอัลฟาจันอัลละตัลจะเอานรกมาในวันในวันลิขามต์เนี่ยนรกเนี่ยมีเชือกล่ามเชือกที่เขาเรียกว่าเชือกมันเชือกถ้าถ้าเป็นสัตว์อานะก็คือมีเชือกที่ล่ามแล้วก็ใช้จูงอะ่ะมีทั้งหมดเชือกที่ใช้จูงเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดมื่น เจมื่นเเส้นเส้นแต่ละเส้นที่ใช้ผูกนรกยานนำมาเนี่ยมีมลัยกาติอยู่มีมลอกาตอยู่จานวนเจมืนท่านที่ดึงเชือก ลองคิดดูถ้าคนจูงถ้ามาละอการที่จูงยานนำเนี่ยจดมื 70, 000, คูณเจ็ดม้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดทไร4ส0 0พ้ารล้านถ้าคนจูงนรกยานนำี่ันเก้ารอล้านลองคิดถึงขนาดของนรกยานนำดวูว่ามันเท่าไหร่ Allah er, ah an wa, t แ erm ค ar ่อะไรเนี่ยไอ้ไ e อ้ล e ูกไฟชารรก็คือลูกไฟที่มันกระเด็นกระเด็นเนี่ยแค่ที่มันกระเด็นออกมาเนี่ยเหมือนกับ ق เหมือนกับราชวังเหมือนใหญ่โตมหาเหมือนกับเหมือนกับวัง เหมือนกับบ้านใหญ่หลังหนึ่งเลยแล้วทั้งนรกเลยนี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับอายัดนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะมีมันจะมีอายัดที่จบท้ายด้วยคาว่าอิอะไรนะมันจบท้ายด้วยว่ a a ามาฮีอิลลาซิกระลิลบาชัรอัลลอตะลาพูดถึงนรกเนี่ยเพื่อมาให้เราเนี่ยเกรงกลัว เพื่อให้เรานั้นใช้เป็นบทเรียนและเราจะได้ทำดีต่ออัลลอ์เราจะได้ละทิ้งความชั่วแต่คนพวกนี้เอานรกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องตลกอัลลอฮ์ตรัก็เลยบอกว่า وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا จำนวนสิบเก้าเนี่ยก็เลยกลายเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบสำหรับคนที่กัเซรคนที่ปฏิเสธอัลล์ุบฮาะะต์อลเอามาพูด นะเอามาพูดเอามาเป็นเอามาเป็นปักใจในการที่จะมาสร้างความเดือดร้อนเยอะแยะแต่ท่านนาบดลลอฮสลัอลาหนะเาจป็นอะอิลฮอิลลัลลอฮ์อ่บางตัฟ s ีรบอกว่าคำว่าฟิตนะตรงนี้ก็คือการลงโทษของโลกทางวาจาลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองความมาอันี้มันก็ไม่ได้ค้านกันเพราะว่าฟิตนะในโลกดุนยา แล้วเป็นการลงโทษในวันอ้นวนอาคารัตเฟตนาในโลกดุนยาก็คือเป็นบททดสอบคนกาเซตในโลกดุนยาที่คอยมาพูดไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเหตุนี้แหละเหตุที่พวกเขามาเยอะเยอ ะ, ะเรื่องราวที่ท่านนาบี ส, ลลสุลต่านนำมาพูดเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยจะกลายเป็นสาเหตุทําให้เขาต้องลงโดนลงโทษในวันอาคารัตต่อไปเองนะครับจํานวน19เนี่ยเป็นเฟตนาสําหรับคนกาเฟต เยสตร์กินาละดีนาอูตุลกิตาแต่มันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับบรรดาชาวคำพียังไงจำนวน19เกนี่ยเป็นฟิตนะสำหรับคนกาเฟรแต่เพิ่มความมั่นใจให้กับชาวคำพีเพิ่มอีมานให้กับบรรดาผู้ศรัทธาวายัสดาดัลละีนาอามานอิมานสามพวกคนกาเฟรเป็นฟิตนะยิ่งหลงทางยิ่งกูฟรบรรดาคน ที่เป็นอาลูกิจา้าพวกยิวยิ่งเพิ่มความมั่นใจมีรายงานนะครับว่ามียิวมีชาวเยอห์ดีบางพวกไปถามสาาหฮาบของท่านนาบีสุลต่านละว่าไหนเจ้าลองบอกมาสิว่าราูลของพวกเจ้าเนี่ยเคยบอกไหมว่านารกจะหันนำ ม, มีคนเฝ้ากี่คนเขาเรียกว่ามีมีสมุนยิวนี่มาทดสอบ มาทดสอบสหายของท่านนบีสหาบของท่านนบีนไม่ได้ไม่รู้มาก่อนก็เลยบว่าวัลลอฮ์อัลลอฮ์วราซ ล, าลุอลัมเดี๋ยวจะกลับไปหาจะกลับไปถามท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีเอกลับไปถามท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดก็เลยบอกว่ามีทั้งหมดสิบเกปรากฏว่าคำตอบของท่านนบาีนตรงกับที่คัมภีร์เตอราตคัมภีร์อินจีลได้ระบุเอาวไว้บรรดาชาวคัมภีร์พวกนี้ก็เลยมั่นใจว่า คนคนนี้เป็นนบีจริงๆแต่ว่าความมั่นใจของพวกยิวนี่ทําให้เขารับอิสลามไหมบางทีมั่นใจแต่ไม่ได้รับอิสลามก็มีด้วยความอิจฉาริษยาพวกยิวเนี่ยมัน ม, ม, ม, ม, ม, มีสาเหตุหลายสาเหตุด้วยความที่คิดว่ามุฮัมัดเนี่ยเป็นรอซูลเฉพาะคนอาหรับไม่ใช่รอซูลของบันิอิสราเอลก็เลยไม่ยอมสันต์ตาท่านนาบีแต่เชื่อแล้วว่ามุฮัมมัดคือรอซูลสุลต่านนบีนี่คือความหมายของคําว่าเลียสตัยกินัลลัฎี นอทุลิตาบในขณะที่บรรดามอหมิมนพอได้ฟังคำตอบของท่านรอสุล u ล l a h ซลและได้ฟังคำตอบของพวกยิวยิ่งเพิ่มความศรัทธาเข้าไปอีกเพราะว่าตัวเองศรัทธาอยู่แล้วนะครับแต่พอได้รับการคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากบรรดาชาวอฮลุกิตาก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธาวะลา يرتاب ا ล ل ذ ي ن أُوتُوا الكتاب وَلا ي ر ت บ ب اللذين أ อُ و ا ت ا ا ل م ประโยคนี้เป็นการเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับความหมายเดิมแต่เป็นการเน้นยำ้ำวะลิอัคุลละีนัฟิคูลูบิฮ์มาราดุนวัลแคฟิรนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นการอธิบายความสงสัยหรือฟิตนะของบรรดาคนกาเฟนที่พยายอมเชื่อกลายเป็นคำถามว้ยทำไมอ่ะทำไมอัลลอฮต้าลาต้องต้องต้องทำให้มันเป็นสิบเก้าด้วยทำไมไม่เป็นยี่สิบมันทำไมไม่เป็นยี่สิบ คำถา ม, ท, ม, ท, ม, ท, มทําไมทําไมทําไมที่ที่มันไม่นําไปสู่การศรัทธาเขาเรียกว่าคําถามที่เสียปล่าคาถามที่ทําให้ยิ่งดอลลคําถามที่ทําให้ยิ่งกุฟอรําคำถามที่ทําให้ยิ่งห่างไกลาจากจ ะ, จะทำนะอุบิข์เป็นหลกทั้งทั้งที่นะครับเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาที่เราพิจารณาการสร้างของ Allah Subhanahu Wa Taala เวลาที่เราฟังว่าอยู่กับล้อสุภาห์ต่าล้ความจริงแล้วมันควรจะต้องนำเราไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสุภาห์นั่นแหลอัลกุรอานนันละก็เหมือนกันคนที่อ่านอัลกุรอานมันจะมีอยู่สองกัวอัลกุรอานละละหู or علايه แต่นบีอัลลอฮ์สั่งบอกว่าอัลกุรอานกับมนุษย์นี่มีอยู่สองละหอ or ع ل ا ي สำหรับคนบางพวกอัลกุรอานเนี่ยเป็นผลบุญเป็นฮิดายิย่งเพิ่มอิมานเพราะาได้ใช้ประโยชน์จากอัลกุรอานเอาอะไรฮิหรือสำหรับคนอีกบางพวกอีกบางคนเนี่ยอัลกุรอานจะเป็นจะเป็นตัวเพิ่มบาปให้กับเขาเพราะว่าเขาไม่ศรัทธาต่ออกุรอานปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานนี่คือสภาพของมนุษย์กับอัลกุรอานนะอัลกุรอานถ้าอยู่ข้างหน้า มันจะนำเราไปสู่สวรรค์แต่ถ้าเราเอาอลกุรอานไปอยู่ข้างหลังมันจะที่เราตกนรกมันมีอยู่สองสายพานี้เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับอย่าเป็นเหมือนกับคนที่อัลลอฮฺตะลาบอกว่าอัลลอีนะกฟารูวะลียะกูลอัลลอีนะฟีกูลูบิหิมมารัดนและเพื่อให้บรรดาคนที่มีโรคอยู่ในหัวใจของพวกเขาคนที่มีโรคอยู่ในหัวใจของพวกเขาเนี่ย ทั้งับซีกถูกแบ่งออกเป็นสองสองสองทับซีกก็คือบางท่านบอกว่าก็คือบรรดาโมนาเฟกูลบรรดาโมนาเฟกูลแต่บางท่านบอกว่าไม่ใช่โมนาฟิกเพราะว่าอายัดนี้ถูกประทานลงที่ไหนครับ ท, กกที่มักกะที่มักกะไม่มีโมนาฟิกหรือยังยังไม่มีโมนาฟิกนี่เกิดที่ไหนที่มาดีนะาแต่ว่าคนที่ตับซีกว่าอายัดนี้หมายถึงโมนาฟิกก็ไม่แปลก เพราะว่าหมายถึงมูนาฟิกที่จะเกิดขึ้นที่ที่มาดีนะต่อไปนะครับในขณะที่ในขณะที่ตับซีรที่บอกว่าไม่ใช่มูนาฟิกเนี่ยก็หมายถึงคนกาเฟตเองเพราะคนกาเฟตเองก็มีโรคไหมในหวัวใจของพวกเขานะโรคโรคลังเลโรคเคลือบแคลกโรคกูฟรก็ถือว่าเป็นโรคในหวัวใจทั้งสิ่งดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับไม่ว่าจะเป็นความหมายว่าเป็นมูนาฟิกหรือจะเป็นคนกาเฟตเองวอลคาฟิรูนเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ย มาพูดว่าแม้จะอรัสดาลลอฮฺบิฮ ذا มาศละอัลลอฮฺต้าลาต้องการอะไรกันแน่คาถามนี้ไม่ใช่ต้องการคาตอบแต่เป็นคาถามเชิญเยาะเย้ยล้อเลียนปฏิเสธและกระถาคานท่านนบีสุลต์ละัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมนะอุซบิลลอฮฺอัลลอฮฺมิได้ละต้าลาเลยนะคับบอกว่าลิกะยุดลุลลอฮฺเยชาวยฮดีเมียชานี่แหละ ที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าลักษณะการที่อัลลอฮ์สุภาพอัลตะอัลละทำให้คนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานยิ่งหลงทางในขณะที่คนที่มีความศรัทธาอยู่แล้วคนที่เชื่อในอัลลอฮ์สุภาพอัลตะอัลลจะยิ่งเพิ่มศรัทธามากเข้าไปอีกสุภานอัลละอันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับความศรัทธาเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่มันถูกปลูกอยู่ในหัวใจของเราเวลาที่มันถูกรดด้วยอัลกุรอาน มันจะนอกเหนขึ้นมาหัวใจของเราถ้ามีเมล็ดพันธุ์ของศรัทธาอยู่เวลาที่เราฟังอัลกุรอานเราจะเพิ่มอึมาแต่ถ้าเป็นหัวใจที่ตายด้านไม่มีศรัทธาอยู่อัลกุรอานลงมาแค่ไหนมากมายแค่ไหนก็ก็จะไม่มีประโยชน์นะละไม่มีใครที่รู้ จำนวนกองทัพของอัลลอฮฺสุบฮานอฺนอนอกจากพระองค์เท่านั้นอันนี้ก็เป็นการปรามบรรดาีูเช่นรนน้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เอาเลขแค่เอาตัวเลขมาทำเป็นเรื่องเป็นเรื่องอัละาละฮฺอเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สนใจหรอกเรื่องตัวเลขพอตัวเลขจริงๆเนี่ยอัลลอลาไม่ได้เปิดเผยด้วยซ้าไปอย่างที่เราพูดถึงอดิสนะครับที่ที่บอกว่ามีเจ็ดสิบ เจ็ดมืนอ่เจ็ดหมืนนํานี้มีเจ็ดมื่นซิมาเชือกจูกแลวแต่ละแต่ละเชือกเนี่ยมีถึงเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นเจ็ดสิบพันนะบอูะเอลเจ็ดมืนมันเป็นภาษาของอาราภาษาเราเขาเรียกว่าเจ็ดสิบพันซบอูอเจ็ดสิบเจดสิบพันก็คือเจ็ดมื่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะมาลายกัตเท่านั้นนะครับที่เป็นก่องทัพของลอ ลมก็เป็นกองทัพของ a l l a เห็นไหมครับมดก็เป็นกองทัพของ Allah นานมิก็เป็นกองทัพของ a l l a ไม่มีใครสักว่ามาอย่าเลือมจุนูดะรับิคัอิลลาห์ว่ามาฮียอิลลัซิคราลิลบะชรทั้งหมดทั้งปวงนะครับโดยเฉพาะนรกจะหันนาเองเนี่ยที่ล l l a h ตั้งเอามาพูดให้มัน ให้มันเป็นให้มันเป็นบทเรียนแก่มนุษย์ให้มนุษย์นึกถึงความร้อนให้มนุษย์นึกถึงความน่ากลัวของนรกแล้วก็จะได้ทำดีต่อหล่อจะได้ละทิ้งเมื่อเสียกขอหล่อไม่ใช่ว่าอาพอพูดถึงนรกปุ๊บอ้าวกลายมาเป็นเรื่องถกเถียงกันห้ยตกลงมันมีกี่เท่าไหร่วะไอ้นรกนั้นมันมีเท่าไหร่คือถกเถียงกันแค่ภาพภายนอก ไอสิบเก้าตัวเลขสิบเก้านี่มันเป็นแค่ตัวเลขมันเป็นแค่เรื่องภายนอกอะ่ะแต่ข้อแท้จริงของนรกเนี่ยไม่คิดถึงกันบ้างหรือเอาตัวเลขมามามาเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสนุกปากทั้งๆ ท, งที่เรื่องที่ควรจะต้องกลัวไม่ได้เอาไปคิดไม่ได้เอาไปไครครวญเลยสักนิดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนวิชาอัตติเดะจะมาไว้ให้ดีนะพี่น้อง เวลาที่เราเรียนวิชาอักดัสนี่พยายามผูกโยงเข้าไปกับอคเครัตให้มากที่สุดแม้กระทั่งตอนต้นของสุราห์นี้สังเกตดูให้ดีตอนที่อ uh uh, um ah ัลลอฮฺตรัสว่าว่ายะ أيُّهَا الْمُدْسِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِرْ وَثِيَابَكَ فَطَحِ สุดท้ายอัลลอฮฺตรัก็เอาอคเคัตมาเกี่ยวข้อง ก, กับหน้าที่ในการทำงานดะอันี่แสดงว่าทุกอย่างที่เราเรียนไม <laughs> ่ว่าจะเป็นเรียนอักดตด์ย่าเรียนแค่ภาพลักษณ์อายนอก เป็นเรื่องที่เอามาถกเถียงคิลาภอย่างนั้นคิลาฟอย่างนู้นเคยลาภอย่างนี้แต่มันไม่ได้เข้าไปในหัวใจเลยเห็นต่างกันอย่างนั้นเห็นต่างกันอย่างนี้แต่มันไม่ได้นําไปสู่ความเกรงกลัวต่อรอบสุภาเราแต่อะไรเลยหัวใจไม่ได้กระดิกเลยนิดแม้แต่นิดเดียวมีแต่ลิ้นท่านั้นที่กระดิกที่ถกเถียงที่โต้เถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่หัวใจยังคงว่างเปล่าหัวใจยังคงถุกถูกปิดอัติไดไม่ได้เข้าไปในหัวใจอย่างนี้เราไม่เอา เห็นไหมอาลอัลลาห์พูดถึงจำนวนของมาละไอกตสพูดถึงการลงโทษในนรกสุดท้ายอาลอสลาบอกว่าอย่างไรว่ามาเฮียอิลแลซิกร์ต้องการให้เราได้รับบทเรียนจากอะไคดะเรื่องนรกไม่ใช่พูดกันเฉพาะว่าใครเข้านรกใครไม่ตกนรกใครสุดท้ายหา ย, ยังมีพฤติกรรมของชาวนรกอยู่นะอสุเลาไม่ได้ทาให้เรามี إ ม م ا ที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้ทําให้เราอยากจะอยากจะลดบาปของเราลงอุลามะบางท่านบอกว่าเวลาที่เรามีความเห็นใดๆให้เราสังเกตดูว่าการที่เรามีความเห็นนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือมันผิดเนี่ยเวลาที่เรามีทัศนะใดๆต่อเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งในในในเรื่องชรีอัตหรือบทบัญญัติของลออสุบฮ า, าตัลลาเนี่ยให้เราดูผลของมัน ถ้าสมมติว่าทัศนะใดทัศนะหนึ่งที่เราถือยึดถือกับมันเนี่ยไม่ทําให้เรารู้สึกกลัวล Allah ระวังให้เด็บางทีไอ้ทัศนะที่เรายึดถือเนี่ยมันมันใช่หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ทําให้เรานึกนึกกลัวล l l a h มันไม่ได้มีผลให้ทาให้เราอยากจะทําดีมากขึ้นเหมือนกับว่าตอนแรกเราถือทัศนะของอุลามะคนนี้มันอาจจะเป็นทัศนะที่ถูกต้องทั้งสองทัศนะตอนแรกเราถือทัศนะนี้อยู่ ตอนที่ถือทัศนะนี้เนี่โอ้โหมาชะอัลลอฮฺปฏิบัติอรรมะได้อย่างดีเพราะว่าทัศนะนี้บอกมันคนข้าวจะเขค่บาคนแต่เมื่อเปลี่ยนทัศนะทีหลังเพราะเปลี่ยนทัศนะกลับกลายเป็นว่าอรมะ ล, ลดลงบาปมากขึ้นนะอุบิลลาฮฺอับดุลลกอันนี้ น, าน่ากลัวเพราะทัศนะระหว่างทัศนะเนี่เราจะรู้ว่าของใครถูกของใครผิดเนี่ยในโลกนี้ไม่มีวันไม่มีวันได้รู้ ถ้าตราบใดที่ทัศนะอสองทัศนะเนี่ยมันยึดโยงกับอัลกุรอานและกับฮะดีสกับโนซูสทั้งสิน้นทั้งสองทัศนะมีหะดีสมีอัลกุรอานมีดารีทั้งสองดารีแล้วเราจะรุกรวมได้ยังไงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้ก็ยึดอัลกุรอานอันนี้ก็ยึดอัลกุรอานแต่ความเห็นไม่เหมือนกันวิธีการสังเกต ง, ง่ายๆโดยเฉพาะกับตัวเราเองก็คือดูว่าอันไหนที่มันมีผลในภาคปฏิบัติมากกว่ากัน อันไหนที่ทําให้เราเป็นบ่าวที่กลัวล l l a h มากกว่ากันนั่นแหละที่เราควรจะยึด a ล l a h ผมกลัวก็เกินนะครับเพราะว่าปกติหลังๆมันจะมีมันจะมีความชอบความคือคนเข้าใจศาสนามากขึ้นแหล่งต่างๆที่จะเรียนศาสนานี่มันก็มีมากขึ้นแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าการที่เราเรียนศาสนาสุดท้ายมันจะต้องนําไปสู่ผลลัพธ์ซิกครอ เป็นบทเรียนทําให้เราเป็นคนดีมากขึ้นไม่ใช่ความดีลดลงแล้วเ อ, อย่างอื่นจะมาเพิ่มขึ้นในตัวของเราอัลลอฮุซุบลิลานซาเลมขออัลลอฮ์สุบฮานะตะละนะครับทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์นะครับและทําให้เราได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราเรียนรู้ให้เราได้เพิ่มความรู้ที่ทําให้เรานั้นยิ่งกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นเหมือนั้นที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะละบอกว่าอินนามายักชัลลอฮะ من ่ง ا د ه าริฮิอัลมายิ่งเป็นอัลมายิ่งกลัวอัลลอฮ์ไม่ใช่ยิ่งเป็นอัลมายิ่งทำง่าย سبحانه และ تعالى อัลลอฮ ل มิให้ละมิมิจนา ل ิกอัลลอฮฺม م ให้ละมิ ن ิจนาลิกแตหม تعالى علم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم س ب ح ا ن ربك رب العزة أ م ا ي س و س ل ا م ع ل ى ا ل م ر س ل ي ن ا ي ى. ن ن ح ى ل م آ ح أ م ل د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن س ل ا م ٌ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ه الله.